อ้าวคุณยายคุณยายเป็นไงบ้างคุณยายเป็นไงพาวนาเป็นไงดีบ้างมาดีบ้างแล้วจิตวันนี้เป็นไงจิตจิตวันนี้ม่ดีเลแล้วเอเป็นไงบ้างยังไม่ค่อยตื่นเติมที่หันมาลิซ่าล่ะ <c oughs> ไม่เอาอ่ะนักส่งาเบอร์สิบเก้า โอ้อยางนี้เร็วครับเดี๋ยวนะส่งทั่วก็เลิกได้ละเหมือน <c oughs> ส่งเอที่วิ่งกลับเน่ยเป็นไงของของแดงวันนี้รู้สึกว่าจะตามหายเยอะแค่หนเจ้าค่ะอะไรนะมีความแบบความอยากเยอะไปหน่อยแบบเห็นอีกสุข อ, อยากเยอะไปหน่อยเจค่ะแล้วก็บางทีก็ช่วงที่ดูจิตบางทีก็อยู่ดีๆก็บังดูอยู่เขาก็หาย ไ, ไปเลยก็บางทีก็เอ๊ะเกิดอะไรขึน้นเลย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 รู้สึกไหมบังคับไม่ได้รู้สึกชัค่ะเพาบางทีเกิดก็เกิดเองดับก็ดับเอง ừ, บางทีเราก็ไม่รู้ตัวบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้านะสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดจเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดัดบแต่เราบังคับไม่ได้เร <ừ. S 1> าจะรู้สึกเหมือนเกิดเองดับเองจริงมันมีเหตุที่ก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดัดบที่เราเราสั่งไม่ได้ ทำไมแดงรู้สึกว่าเวลาเราดูจิตบ่อยๆเนี่บางทีมีอะไรที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากเหมือนสมัยก่อนคือไม่มีนะ แ, แต่ก่อนนี้ที่ว่าสุขมากเนี่ยเพราะมันหลง<ม>ตอนนี้มันไม่หลงนี่โลกนี้มันทุกข์นะโลกนี้มันไม่ใช่โลกสุข<ม>งั้นการที่เราภาวนาแล้วเราเห็นวนะ่าโทุกข์ถ้ายิ่งเห็นทุกข์ล้วนๆ น, นะแล้วน่ะดี ถ้าเรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างจิตไม่ปล่อยวางที่ไม่ปล่อยวางเพราะยังมีทางเลือกเราก็เลือกเลือกเอาสุขเลือกเอาดีพยายมดิ้นรนก็จะเลือกเอาของดีๆแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะ เ, เห็นเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ความสุขพอสติสไประลึกปับป๊บก็ดับไปละอะไรๆเกิดขึ้นระลึกปั๊บดับปั๊บปั๊บปั๊บไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับดับดับนะ ในสุดเหลือแต่ดับรวดรวดเลยอะไรไหวแวบเดียวยังไม่ทันเจอรู้รสชาติมันเลยก็ดับแนละับถ้าอยากสุขนานก็ต้องทำสมาธิแต่ถ้าเราจเจริญสติอยู่ความสุขเกิดขึ้นปับ๊บสติระอรึกก็ขาดแล้วเกิดดับให้ดูเราได้ปัญญาพอเราก็เลือกเอาสิเราอยากได้ความสุขหรือเราอยากได้ปัญญา อยากได้ความสุขก็จะติดอกติดใจเรื่อยๆไปอยากได้ปัญญาก็จะ้นทุกข์ถ้าเราดูจิตแบบนี้บ่อยๆจะบางทีก็รู้สึกเหมือนชีวิตนี้มันมีแต่สภาวะอย่างเดียวใช่มเ้าคะถูกต้องละชีวิตนี้ไม่มีคนมีแต่สภาวะอย่างเดียวถูกต้องแล้วรู้สึกไหมชีวิตมีแต่สภาวะอย่างเดียวเกิดดับเกิดดับสึกเนื่องกันไปเรื่อยๆบังคับก็ไม่ได้กไะะไออ็ไม่มีสาระอะไรเลยเออไม่มีสาระอะไรเลย ถ้าดูไปจนเราเห็นอย่างนี้นะเห็นเลยมันไร้สาระมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราอะไรถ้าดูจนใจมันยอมรับนะมันจะรวมเข้ามาแล้วตัดสิ่งความรู้ว่าได้โสดาบันได้อะไรเป็นลำดับลำดับไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตแต่แห้งแล้งตลอดนะ แต่ใจเราเข้าไปสัมผัสกับธรรมะเราไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความไม่มีอะไรนะั่นแหละสุขยิ่งใหญ่พระเจ้าถึงบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบ ร, รมสุขเขา อ, อื่นไม่สุขหรอกโลกนะสุขแวบเดียวเองสุขมันหลอกๆดูสิความสุขในโลกมีนิดเดียวแต่เราวิ่งหาแทบตายเลยรู้สึกไหม เราวิ่งวิ่งวิ่งนะตลอดชีวิตเราเขาวิ่งหาความสุขเท่านั้นแหละแต่พอเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าความสุขแว บ, บเดียวความสุขก็ไม่จริงจังอะไรต่อไปมันเลิกวิ่งมันหมดตัณหารู้ความจริงแล้วหมดตัณหาไม่รู้จะอยากได้มาทําไมไมันเห็นมีสาระอะไรเลยว่างเปล่าดีแล้วอาทิตแดงภาวนาเห็นไปร็จทีถามหลวงพ่อนิดหนึ่งครับคือคราวที่แล้วที่ามากับหลวงพ่อครับ คือน่าฟังอยู่แล้วเหมือนกับว่ า, วามันเห็นมันเห็นจิตมันวิ่งไปหาวนะ่ามัน ม, มีความคิดแล้วจิตก็วิ่งไปหาแล้วก็กลับมาแล้ววิ่งไปหาความคิดใหม่หม อ, มอันนี้มันเขาเรียกไงแล้วมันก็จะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเออข้าใจว่าเป็นตัวรู้รดูจิตแล้วก็จิตมันก็มีไปความคิดอีกนะมันก็มีคนคนหนึ่งดูอยู่มีตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวหนึ่งมันเป็นผู้แสดง ทีนี้พอมันพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอยากให้เกิดอีกไหมันอยากให้เกิดอีกไหมไม่รู้ไปตรงนั้นะกิเลสละมันก็เลยมันเลยไม่เกิด <c oughs> กไม่ดีไ <c> ด <oughs> ้กิเลสมันเกิดแทนสติเกิดแทนปัญญาซะละโยกสองคนนี้มาจากไหนกันเคยมาไหมเคยมาแบบไหน เราไม่ได้เรื่องเลยเหรอเออนะเราไม่เออเราไม่ได้ฝึกสติเพื่อทำใจให้ว่างหรอกนะเราฝึกสติเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยรู้สึกั้ยจิตใจเราเคลื่อนไหวทั้งวันไม่หยุดนิ่งนะไม่ต้องไปฝึกให้ว่างเราฝึกให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยง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 หลักให้เราเหนื่อยแทบตายเลยตลอดชีวิต อ, อติส่งกันบ้านใจลอยไปอีกแล้ว ร, รู้ไหมแอบไปคิดนะ่ะให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเอง อ, อติสองไปแล้วครับพระชายส่งแล้วเหรอส่งว่าไงลืมไปแล้วก็ช่วงนี้ก็มีความทำตามรูปลับอย่างต่อเนื่ อ, อมากขึ้นไปเืม ก็รูกว่าใจมันก็คือใจที่เคยเห็นในความสุขที่เคยเรียนหลวงพ่อตอนหลังก็เห็นว่ามันสวิงอืมไม่ไม่ใช่ว่าจะแบบสุขได้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเหมือนเมื่อก่อนอ ม, มันจะเป็นแบบพอไปรู้จริงมันก็เอ๊ะมันก็จะแ น, น่นๆขึ้นมาพอไปรู้แ น, น่นๆก็จะอืมก็ม ส, สบายลงมีความสุขขึ้นมานะคือพอโลภะเกิดเกิดการ ก, กระทํากรรมมันก็ทุกข์ขึ้นมา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 แล้วเราก็เห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่เอาทั้งคู่นั่นแหละนี่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะมีแต่ความหลงอย่างเดียวเพะเรามีความหลงอยู่อย่างเดียวตลอดชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงอย่างเดียวเราจะไม่รู้จักความหลงเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วในโลกนี้ <ở S 1> <oui> พวกเรารู้สึกไหมพวกเราทุกคนรู้สึกตัวแต่หลวงพ่อจะบอกให้ว่าถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก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 เพราะงั้นเราจะไม่รู้จักว่าชั่วเป็นยังไงไปเกิดโยมเบอร์ยี่สิบเก้าเสื่อสีฟ้านี่เกิดดีขึ้นมาสักคนนะทุกคนที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อด้วยจะชั่วหมดเลยตอนนี้เนี่ยมันเกิดเราเห็นสภาวะที่ไม่คงที่ได้เพราะเราเห็นสภาวะที่เป็นคู้มีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งคนที่เหลือมาเลยชั่วให้ดูการที่เราต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าความหลงมันเป็นยังไงแต่เดิมหลงตลอดไม่รู้ว่าหลงหรอก แต่พอมีสติขึ้นมาแวบเดียวจะใจหายเลยแดงรู้สึกไหมใจหายเลยลที่ผ่านมาหลงตลอดเลยนีม่มีคนรู้สึกตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วถามว่าความรู้สึกตัวเป็นแล้วเอาอะไรจะเอาความรู้สึกตัวต่อเนื่องหรือเปล่าเปล่านะเราต้องการเรียนเอาความจริงไม่ได้เรียนเอาความรู้สึกตัวศา ส, สนาพุทธนันไนแหละคือตัวความจริงหรือตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญานั่นเอง พระุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยการเห็นความจริงนะไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยสุขไม่ใช่ด้วยอุศนอะไรหรอกนะด้วยตัวปัญญางั้นพอเราหัดฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งใจของเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นได้ทีละแวบบเราก็จะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วนะตอนนี้รู้สึกเนี่ยพอรู้สึกตัวได้แว บ, บเดียวความรู้สึกตัวก็ดับอาจจะเผลอครั้งใหม่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 เพราะนการที่เราแค่รู้สึกตัวแล้วก็เผลอ ER ER รู้สึกตัวแล้วก็เผลอ ER ฝึกอยู่อย่างนี้มากๆเท่านี้ก็พอแล้วนะความจริงแล้วกรรมฐ า, านสําหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ต้องการมากมายอะไรเลยถ้าเราเห็นว่าจิต ท, ที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิต ท, ที่เป็นากุศลเกิดแล้วก็ดับเราจะรู้ว่าจิต ท, ทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเราก็จะรู้ต่อไปอีกว่าทุกสิ่งที่เกิเดล้วนแต่ดับทั้งสิ้น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 นิพพานไม่ใช่เรื่องของคนขอทานนะนิพพานต้องถามเราเองนะต้องฝึกฝนเราเองพวกที่ขอนะี่พวกชูชกเห็นไหมพวกขยันให้เนี่พวกพระเวสสันดรมาสัมบูร์แล้วขอโน่นก่อนนี่นี่ลูกหลานชูชกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายแรกต้องเป็นทศดาบันโศดาบันละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นเรา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 เก้งช่องว่างเก่งๆไปเป็นอรูปภ ร, รมลมเวลาพระสีอานมาสัสรูท่านเกิดนึกถึงเรานะท่านจะอุาอาทา น, อานบอกชิปหายแล้วะท่านจะอุทานว่าชิปหายแล้วนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอะ่ะตอนสัสรู้แล้วท่านคิดว่าจะสอนใครก่อนท่านคิดถึงอารารดาบทกับอุทกดาบทสองคนนี้ทมอรูปปัญญเก่งจิตใจละเอียดประณีตแล้วท่านรู้ว่าผู้นี้ตายไปเกิดเป็นภพลมแล้ว เป็นรูปภพผมท่านอุทานว่าชิบหายแล้วเสียประโยชน์อย่างใหญ่แล้วงั้นอย่าไปเข่งใส่ช่องว่างนะอย่าเข่งใส่ความว่างให้รู้กายให้รู้ใจอย่ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านทดลองมาสีอสงไขยแสนมหากรัรพึถึงได้สรุปออกมาว่าต้องทาสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอกายนามัคคือการมีสติรู้กายเวทนาจิตรรม กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอย่อลงมาก็คือกายกับใจนี่แหละรูปประนามมีสองอย่างเท่านี้เองรูปประธรรมรนามธรรมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะเราคิดว่ารูปประธรรมนามธรรมานี่คือตัวเราเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรารู้ไม่ใช่ตัวเราหรบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับหาสารหาแก่นสารอะไรไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะเป็นพัสดบันเป็นพัสดบันแล้วก็ดูต่อไปอีกดูกายดูใจดูรูปดูนามต่อไปนี่แหละปัญญามันค่อยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้น เบื้องต้นเป็นพระโสดาบันบอกมีศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์เพราะอร่พราสติดีกิเลสไหลเข้ามาในใจแว บ, บอย่างคนเขาดา่าเนี่ยกิเลสโทสะแวบเข้ามาในใจเห็นละโทสะครับงําใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาเนี่ศีลมันเกิดเองเพราะศีลท่านบริบูรณ์เพราะสติของท่านดีแต่สติยังไม่บริบูรณ์นะแค่ว่ากิเลสแรงๆมันเกิดแล้วมองเห็นทันก็เลยไม่เป็นประมือศีลห้า นั้นมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงว่าใจไม่ตั้งมั่นขนาดทศดาบันยังใจไม่ตั้งมั่นเลยสมาธิเล็กน้อยใจนี่จะฉลับซ้ายฉลับขวาทั้งวันนะเหมือนปุถุชนนี่แหละสังเกตไหมใจพวกเราเฉลับไ ป, ฉ ล, บไปฉลับมาหนีไปนี้มาตลอดเวลาแซปแวบแวบบแวบบแบบเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวนี้ไปคิดหนึ่งใจไม่ตั้งมั่นทศดาบันมีปัญญาเล็กน้อย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 นึกว่าเราเข้าใจอริยสัจแล้วเพราะมีสมูทัยเลยเกิดทุกข์เข้าใจอย่างนี้นี่พอรู้ว่าถ้าจิตอยากจิตยืดจิตจะทุกข์จิตเลยตั้งมั่นเด่นดวงไม่ไหลไปละไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่หลงไปคิดอะไรที่เละเทะเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นรวมความก็คือใจมันไม่ไหลาตามกิเลสไปไม่ไหลไปตามการามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสประสาทอะไรในี่ใจของเราจะวิ่งไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสประสาทสัมารมณทั้งวันนะ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 ก็กายนี่เราวางลงไปแล้วเราเห็นนะไม่มีสาระแก่นสารสติปัญญาจะบีบตัวลงมาเรียนอยู่ที่จิตนี้ถ้าบางคนเห็นว่าเออเราอยู่กับจิตตรงนี้จิตเราผ่องใสสบายแล้วมีที่พึ่งที่อาศัยละก็นิ่งนอนใจไม่พัฒนาต่อไปหลวงู่ ด, ดูลย์ท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่เก่งๆอ่ะมาตายลงตรงนี้แทบทั้งหมดมาตายลงตรงที่เป็นผีใหญ่เท่าเรียกผีใหญ่คือจะไปอยู่ลกลมมรรค เป็นท่านาคาไปปลมโลกท่านาคาไม่จําเป็นต้องอยู่สุดภาวาะนะสุดภาวาะเนี่ยเฉพาะท่านาคาที่ได้ชานสี่แล้วก็ชำนี้ชํานาญมีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเพราะฉะนั้นจะเกิดในปลมต่างๆได้ตั้งแต่ปลมปาริสัชชาปลมชั้นที่หนึ่งขึ้นไปเลยส่วนมากก็จะนอ น, น, อนใจเพราะาเรามีจิตผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยมีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วสุขทั้งวันเลยนะ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 ท่านธรรมะช่วยเหลือเรานะพระธรรมช่วยเหลือเราแสดงทุกข์ให้ดูทุกข์สุดขีดแล้วถึงยอมวางอีกพวกหนึ่งปัญญาแก่กล้าท่านอยู่อท่านก็เห็นเลยจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะไม่มีอะไรเลยไร้าสาระท่านเห็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเห็นความว่างเปล่าจากคุณค่าทั้งปวงมันแต่เดิมคิดว่ามีคุณค่าอยู่อยู่ก็เห็นทีม่มไร้คุณค่าแล้ววาง พวกแรกที่ไปด้วยศรัท ธ, ธาแล้วก็เห็นอนิจจังเนี่ยเรียกว่าบรรลุด้วยอนิมิตตะวิโมกพวกที่ทรงสมาธิกล้าบรรลุด้วยการเห็นทุกข์เขาเรียกว่าอปาณิหิตตะวิโมกส่วนพวกปัญญากล้านนเห็นอนัตตาเรียกสุญญะตะวิโมกตรงวิโมกนี้เราเลือกไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็แค่จเจริญสติไป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 แล้วก็ไม่เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเลยใจมันจะรู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้กุลารที่จะต้องทําอีกไม่มีแล้วทั้งวันทั้งคืนมันจะมีแต่ความสุขอยู่อย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนนะแต่ใจจะไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรใจมันใหญ่นะใจมันใหญ่ใจมันกว้างไร้ขอบไรขีแต่เดิมใจของเราแคบแคบเหมือนอยู่ในแคปซูลอติดูออกไหมต่ยังอยู่ติดอยู่ในแคปซูล คูบาาจารย์ทางอีสานท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันติดอยู่ในไหกระเทียมท่านคนทางอีสานนะท่านหายประแดดท่านไม่ใช่หอกระเทียมท่านติดอยู่ในไหประแดดของเราชาวเมืองเรารู้สึกมันติดอยู่ในแคปซูลบางค น, นเวลาหัวซุกไว้ในหมวกกันน็อกมันเป็นความรู้สึกทางใจที่รู้สึกเลยมันไม่มีอิสระนั่นแหละเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากสิ่งห่อรุบนี้ได้นะเพราไม่ยึดถือในรูปนาม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 โดยเฉพาะสามเดือนก่อนปรินิพานเนี่ยพระนนทท่านเล่าไว้นะในพระสูตรตอนจะปรินิพานเนี่ยบอกว่าพระศาสนาในสามเดือนสุดท้ายนนะั้เทศแต่เรื่องอริยสัจเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่คนมาถามอย่างอื่นพิจิตรกออกไปไม่งั้นจะเทศ แ, แต่อริยสัจเพราะนี้ทําที่สําคัญที่สุดแล้วไม่งั้นถ้าแจ้งอริยสัจก็พ้นทุกข์ละที่พวกเราไม่เคยได้ฟังอริยสัจถึงฟังเราก็ตีความให้มันต่ำกว่าความเป็นจริง ฉันว่าทุกให้รู้สมูทัยให้ละเราอยากละทุกไม่ยอมรู้ทุกนะจะอยากละทุกเนี่ยกับพัวกระพางตลอดเลยธรรมะของเรานะมันเลยไม่บรรลุมรค น, นิพพานสติทำมาตั้งนานหลายปีนะมันไม่บรรลุง่ายง่ายบางคนนะผ่านญาณตั้งร้อยหกสิบตัวนี้นี่ผ่านญาณร้อยหกสิบคือสิบรอบแล้วมันไม่ตัดอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ญาณตัวจริง ถ้าญาณตัวจริงไป็นขาดเลยขาดแล้วขาดเลยไม่ขึ้นมาอีกละกิเลสดับแล้วดับเลยถ้าดับแล้วดับอีกยู่อย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ของจริงเบอร์ยี่สิบใจลอยไปแล้ว เ, เวลาคือรู้รู้ว่าตัวเองเผอพอหลังจากที่เผลอแล้วลุกจากโซ่เผล อ, อพอหลังจากลุกจากโซ่เผลอก็รู้สึสกสว่าตัวเองแพ่ ง, งเออเป็นอย่า ง, ง น, บบนั้นทุกคนอะทาไม่ได้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 เนะมื่อแต่ค่ําครวญถึงอดีตไป แ, แย่แล้วแย่แล้วเผลอมาชั่วโมงหนึ่งลนะนี่เผลอไปเรียบร้อยละอีกพวกนึงพอเผลอไปนอาภูสนพอรู้ว่าเผลอนี่เป็นกุศลอุ้ยทำไงจะไม่ให้เผลออีกเพ่งเลยคราวนี้จะเพ่งก็ อ, อะไรพเพราะกลัวเผลอนั่นแหละก็เลยไปเพ่งไว้แต่ถ้าเราคอยดูไปนะดูที่ใจเราเรื่อยๆเผลอเราก็เป็นกลางเพ่งเาเราก็เป็นกลางนะรู้ไป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 ท่านสอนทำมจากกปวัตนสูตรเทศนาการแรกเลยท่านสอนสิ่ที่ผิดสองอย่างก่อนสองอย่างที่บรรชิดไม่ควรเสรกคือผู้ปฏิบัติไม่ควรทําอันหนึง่งการสุขาริการุโยคตามใจกิเลสหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอันที่สองอาัตตากิลมัฏฐานุโยกเพ่งกายเพ่งใจนั่นแหละบังคับกายบังคับใจนั่นแหละถ้าเมื่อไร่เราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้เรียบร้อยละ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 แทรกแซงอารมณ์เช่นพอโกรธขึ้นมาก็พุทโธพุทโธลึกโกรธเนาะโกรธเนาะกะจะไล่ความโกรธไป น, นี่แทรกแสงนะไม่ใช่ไม่ใช่อุชุกตาเนะงี่ยเวลาที่เราสังเกตให้ดีนะพอพวกเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไร่ใจของเราหนั ก, ห น, กหนักขึ้นมาใจของเราแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อขึ้นมานะขณะนั้นอกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วจนะปฏิบัติจนตกนรกก็ได้นะเพราะปฏิบัติ ด้วยอาคูสโลจิต พ, พ่อคูนอาคูสโณลจิตอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติแล้วเครียดรู้สึกไหมปฏิบัติแล้วเครียดเครียดเครียดเราคิดว่านี่กุศลความเครียดหรือความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตเท่านั้นเกิดร่วมกับอาคูสโเท่านั้นนะความเครียดความทุกข์ในใจเราเนี่ยงั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเครียดปั๊บเนี่ยแสดงว่าทําผิดแน่นอนนะไม่ใช่ว่าทนดันทุลังเครียดไปเรื่อๆยๆจนเพี้ยนไปนะหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยน แล้หอบผิวกันมาให้หลวงพ่อแก่น้ำแก้ไม่ไหวน้ําเยอะเกินไปตอนหลังๆหลว ง, งพ่อเลยบอกไปหาหมออติเบอร์สนะิบเอ็ดไหนสติหันหน้าให้เพื่อนดูหน่อยให้ดูไว้เพื่ออะไรรู้ไหมถ้าใครมีพักพวกปฏิบัติแล้วเพี้ยนนะ้ำพาไปหาหมออตินั้นไม่อย่าพามาหาหลวงพ่อนะเอาคนดีๆค่อยมาเรียนนะคนเพี้ยนล้วเรียนไม่ไหวแล้วแก้คนเพียนเพียนคนหนึ่งเนี่ยนะใช้แรงมากกว่า ตอนคนดีสิบคนยี่สิบคนอีกงั้นต้องระวังนะปฏิบัติไปแล้วอกักขุศลเกิดปฏิบัติปุ๊บพอลงมือปฏิบัติสังเกตไหมสิ่งที่ทํามันแรกพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติคือวางฟอมเนี่ <Yeah. S 1> ถามมันแน่นไหมมันหนักไหมหรือว่ามันเบาใช่ไหมมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันชื่อนีอ่อักขุศลนะถ้าเรียนอภิธรรมนิดหนึ่งแล้วไม่พลาดขนาดเนี้ย แต่พวกเรียนอภิธรรมแล้วพลาดกูเยอะนะไม่รู้พลาดได้ยังไงคลิกตำราไม่ทันนะ <c oughs> หรือจิตยังไงทําสมถะจิตยังไงทํำนิปัสนาแยกไม่ออกนะส่วนมากแยกไม่ออกคิดว่าทำนิปัสนาต้องไปเพ่งออกการเพ่งกายการเพ่งใจเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรเงี้ยนะคือการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอรารมณูปนิชฌานเป็นการทําสมถะนะ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 แต่ทำแล้วให้เกิดสติทําเพื่อให้เกิดสติสติจะเกิดได้เมื่อกี้เล่าแล้วสติเกิดได้เพราะจิตจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นทํากรรมฐานแล้วหัดสังเกตสภาวะไปคนไหนเคยรู้ท้องของยุคก็รู้ได้แต่ถ้ารู้แล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกจระดิตนะแล้วก็หาอารมณ์อื่นที่มันไม่เครียดอารมณ์เครียดใช้ไม่ได้มันอับปุสนเพั้นเราสมมุติเรารู้ท้องฟองยุคแล้วใจสบายเราก็รู้ไปอย่างสบายสบาย รู้ไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดละวนี่รู้สภาวะดูท้องฟองยกสักพักหนึ่งจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งๆที่ท้องนี่สภาวะแห่งการเพ่งเกิดขึ้นแลเรารู้จักแล้วก็รู้ว่าเพ่งแล้รดูท้องฟองยกไปจิตใ จ, ใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดูท้องฟองยบไปจิตสงบรู้ว่าสงบมีปีติรู้ว่ามีปีติที่พังอ่ะวุบวุบบ้าบ้บาบาลุกคนชันอะไรนั่นปีติทั้งหมดนะไม่ใช่วิปัสสนาญาณ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 อะไรไหวขึ้นมาไม่เห็นหมดนะหรือหัดพุดโทก็ได้หัดหายใจก็ได้เช่นหัดหายใจเนี่ยจิตเหลอไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแล้วหัดรู้ในที่สุดเราก็รู้จักสภาวะเยอะแยะเลยเราไปสภาวะที่รู้จักแล้วเกิดสติก็จะเกิดเองเคยหัดยกเท้ายั่งเท้าแล้วก็ยกไปยกไปแล้วจิตเหลอไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หัดรู้สภาวะ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 ถ้ากรรมาฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจส่วนใหญ่ที่พวกเราทําอยู่มันจะเนื่องด้วยกายด้วยใจอยู่แล้วละ่ะมันก็ทำต่อไปไม่ใช่ผิดอะไรแต่ที่ผิดเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไปมุ่งทําด้วยการเพ่งรูปเดียวเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจจใจก็นิ่งนิ่งทื่อๆขึ้นมาแล้วก็นึกว่าได้ความดีละกิเลสไม่เกิดควาจริงเป็นขมมันไว้คมมันไว้อย่างหลวงพ่อบอกให้รู้รนะหลายคนบอกว่าดิฉันก็หัดรู้นะ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 ืืเป็นไงโบส่งด้วยคำพูดสิคนอื่นก็จะได้ฟังมเล่นไปส่งในใจก็รู้สึกว่าเอาละเอาละไม่ต้องส่งก็ได้ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วใช่ได้แล้วอาจารย์ตูอาจารย์ปูก็ช่วงนี้จะคิดเยอะมากเลยครับดออวกไหมจิตฟุ้งซ่าน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 หรือขยับมือนี้รู้หมดเลยนะกล๊กิล๊กกิ๊กเพ่งตลอดเลยนะเพ่งอันนี้ได้แต่สมรรถนะต้องระมัดระวังเนัอนการทําในรูปแบบเนี่ยจําเป็นอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเคี้ยวนะพุโทโธไปหรือหายใจไปหรือดูท้องฟองยุบไปเลยแล้วหัดรู้สภาวะไปแท้จริงแล้วการทํากรรมฐานแต่และอย่างเนี่ยจิตจะพลิกแปลงได้สี่แบบอ ย, ยกตัวอย่างอย่างดูท้องฟองยุบเนี่ย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 มันจะขึ้นมาทำมิปัสสนาด้วยการดูจิตได้ดังนั้นกรรมาฐานอื่นก็อย่างเดียวกันรู้ลมหายใจแล้วก็เผลอไปเคลิมงองแง ง, งองแงกเนี่ยใช้ไม่ได้ในอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเหมือนที่เพ่งท้องนั่นแหละอันนี้ได้สมถะอย่ที่สามรู้ลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดู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 การดูจิตถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะต่อไปเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมแหละถ้าคนไหนยังปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าจะปฏิบัติเฉพาะตอนเข้าวัดเข้าคอร์สเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดเลยใช้ไม่ได้แต่ถ้าคนไหนหลอมรว ม, รวมการจเจริญสติเข้าในชีวิตประจำวันได้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 กรับข้างอีกแล้วเข้าใจไหม<น>ตอนเดินทีแรกก็สะเปสปาเลยขาดสติหนะลงตามกิเลสไปพอเริ่มจะปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจแล้วจะค่ยคอยๆเดินนะผิดอีกแล้ว<น>แท้จริงแล้วถ้าอยากเดินจงกรมก็คือทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลย<น>ไม่ใช่ต้องแกล้งช้าๆด้วยนะ บางคนพยายามจะให้ช้าๆเพื่อสติจะได้ตามทันเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกร่างกายให้ช้าลง<ช>แล้ฝึกสติให้เร็วขึ้นเร<ช>็วขึ้นวิธีที่สติจะเร็วคือจิตมันจําสภาวะได้แม่นสติจะเร็วข<ช>องโยมเป็นไงโยมมากับใครล่ะมากาะแดงค่ะปฏิบัติมันไม่ยอมสุดออกจากความตึงอะไรนะอะไรนะโยม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 ารู้ตัวเลยท่านก็ไปลาครูบาอาจารย์บอกจะมักขอเรียนกรรมฐานแต่เดิมท่านเคยก่อนบวชเนี่ยท่านเคยดูจิตของตัวเองเดี๋วล้ท่านไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านที่เลยเดี๋ยวแล้ท่านก็เครียดจัดนะท่านเพ่งมากเครียดเพ่งแบบโยงเงี้ยนะเครียดจนเหมือนปัวจะแตกเลยเครียดจัดท่านก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ทายัางไงดีผมเพ่งมากจะหมด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 เดี๋ยนี้เรามาทําอย่างอื่นมันไม่สบายมันไม่ถูกจิตอ่ะก็เลยบอกหลวงปู่ผมจะไปเรียนดูจิตหลวงปู่ถามไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนแกหลวงพ่อประโมทที่เมืองการหลวงปู่บอกไปเขียวเอคดีแล้วท่านไม่บอกไฟแดงหรือไฟเหลืองไฟเขียวเขาพาท่านมาเลยนะมานั่งรถทัวร์มานะกว่าจะเลาะรัดมาจนถึงสวนโพที่เมืองการได้บ่ายละบ่ายสองได้ มาถึงท่านก็เอะอะอยู่หน้าวัดเลยจะให้พบหรือไม่ให้พบถ้าไม่ให้พบจะกลับทนะ่านท่านหลวงพ่ออยู่หลังวัดนะั้นได้ยินเสียงอะไรบุกเวงบกเวงหน้าวัด <c oughs> ให้พราไปดูอ๋อมีพระมานะท่านจะมาสนธนาธรรมอันนี้หม่ท่านเข้ามาท่านก็เพ่งอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีไงถูกไหมชวนท่านคุยชวนท่านคุยให้ท่านเผลอ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 เออใช่พอครั้งที่สามนะท่านเสืออีกบอกอาจารย์เสือแล้วท่านลุกตบกั้วี่ฟงเลยนะไปแล้วไปละเข้าใจละวที่จริงจิตมันอย่างนี้แล็ปแร็ปแใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแร็ปแล็ปแล็ปนี่ใช่ไหมบอกใช่ครับ<ไ>พอท่านบอกท่านจะไปแล้วไปแล้วนะหลวงปู่ท่อนโทรศัพท์มาเลยกราบได้แล้ว หมดธุระแล้วไม่มีคนนวดมาได้แล้ว <c oughs> น่ารักตรงนี้ท่านนักเลงเสียงดงังถามว่าท่านเห็นอะไรแซบแบแซบท่านเห็นว่าจิตนี้มันทางานของมันเองนะเดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวแล้วก็เพ่งเอาไว้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโยมหยุดปฏิบัติได้ไหมหรือใจมันไม่ยอมหยุดละหยุดปฏิบัติหยุดเพ่งยหยุด ม, มันมันติดะนะนะงั้นโยมต้องหาอะไรมาล่อมันนะหาอารมณ์อื่นมาล่อมันที่นอกเหนือจากการทำกรรมฐานะนะเช่นหาหงานทำหางานท ำ, นะ ห, าานทำหรือไปเลี้ยงปลานะตามวัดบางแห่งเขามีปลาให้เลี้ยงเราไปเลี้ยงปลาซื้ออาหารให้ปลากินเห็นปลามากินอาหารแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยคือดึงมันไปสัดึงมันออกไปดึงออกไปจากการปฏิบัติปกติะนะ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 ในตอนนี้โยมหนีพิคิดแล้วยมทราบไหมอย่างถ้าถัวทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวโยมแป๊บหนึ่งนะโยมรู้สึกไหมโยมอยากพูดเมื่อกี้ใช่ค่ะนะเอออย่างว่าอย่างนึงงานอยู่นี่แล้วเปิดเป็นคราฟต์บรรยายอะไรยิสออะไรที่จะจะได้โยมทำงานอะไรล่ะงานที่ใช้ทำงานบ้านได้ทางานบ้านเนี่ยเจริญสติได้ถ้าทำงานที่ต้องคิดนะเจริญสติไม่ได้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 ออกมาอยู่กับโลกแล้วอย่างสวดมนนี้นะเราอยู่กับตัวคําสวดมน์ตลอดนี้เดี๋ยวอยู่กับคําสวดมน์ตลอดนี้แหละเพ่งล่ะเ <c oughs> นี่ยยมรู้สึกไหมจิตหลุดออกจากการเพ่งแว บ, บหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห <c oughs> ็นไหพาอะไรเพราะว่าลืมไปนะเมื่อกี้จิตก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปเพ่งใหม่แล้วทราบไหมมันแพงจนแน่นเพราะว่าปกติของเราคือการแน่นอย่างนี้เออ ด้าายวกรกไม่ใช่เราสั่งมันให้หายไม่ได้นะหลวงพ่อบอกแล้วจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เขามีเหตุคือเขาเคยชินที่จะเพ่งเขาก็จะเพ่งงั้นเราห้ามไม่ให้เพ่งไม่ได้เราต้องสร้างความเคยชินอย่างใหม่ขึ้นมาะเคลื่อนไหวไว้ทําอะไรซะดึงดูดความสนใจออกไปที่อื่นให้มันเผลอไปเลยพอเผลอไปแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอเนี่ยเผลอเรารู้ว่าเผลอเนะ่มันจะรู้สึกตัวได้พอดี พอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะกลับไปเพ่งใหม่เพราะมันเคยชินนะแล้วก็หาอะไรมาทําให้มันเผลอไปอีกพอเผลอไปอีกนล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอแล้วเนี่ยมันจะกลับมาพอดีแล้วสักสองสารอบเนี่ยเข้าๆออกออกเนเมื่อกี้หนีไปคิดแวบหนึ่งทราบไหมเนี่ยพอรู้ทันว่าหนีไปคิดรู้สึกไหมมันหยุดเพ่งเลยเห็นไหมเนี่ยตรงที่มันเผลอไปคิดเรารู้ทันว่าเผลอไปคิดมันก็เลิกเพ่งเลยมันรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นนะจริงๆไม่ยากนักหรอกเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม เห็นไหมตอนเผลอเนี่ยไม่ได้เพ่งรู้สึกไหมนั่นเผลอบ่อยๆนะหน่งเบาแต่เวลาปกติแล้วเดี๋ยเพ่งนั่นแหละลืมเรื่องปฏิบัติซะ s> <S เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ <_ s 2> นี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติล่ะนะนเหมือนกับตกมาจากที่สูงๆโยมอย่างดีนะของโยมยังไม่หนักบางคนเนี่ยพูดด่าไม่รู้เรื่องแนละ้วติดเพ่งมากบางคนนี่เดินอย่างนี้นะ <_ s 2> ยี้ถามว่าเป็นอะไร เคลคอเคล็ดหลังเคล็เนี่ยดิฉันไปหาหมอมาตั้งหลายหมอแนละ้วหมอเลี้ยงไข้นะรักษาไม่หายสักหมอเลยหมอไม่เลี้ยงไข้ก็หมอไม่เก่งมอกหมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นะเล่นเกลิงทั้งวันนะ่ะ <c oughs> ไปไหนก็เกลิงเกลิงนะบังคับตัวเองตลอดนะมันไม่ถูกนะใจลอยไปบ้างนะหัดใจลอย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 พยมรู้ว่าคิดนี่นะสามครั้งแล้วนะดียวรู้สึกไหมพอรู้ว่าคิดเนี่มันจะหลุดออกมาเลยมันจะตื่นขึ้นมามันเบาๆเลยะงั้นฝึกไว่อย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าสมมาหน่อยนึงเดี๋ยวตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดดวออกไหมฟังไปคิดไปตอนนี้เอาใหม่นะฝึกอย่างนี้จิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดเนี่ยตอนเนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหม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 อุตสาห์มาจากนกครเนี่ยอ๋อก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อพูดมาครับก็คือเดียนะ้หมกคลเอาอีกแล้วเห็นไหมเข้าถ้ำอีกแล้วบอกไว้ลืมตาไว้ลืมตาไว้แล้วก็หันไปดูคนนูย้ยคนนี้นะอย่าหยุดเฉยๆน ะ, ะพิสูจทั้งหลายจงลืมตาดูโลกเนี่ยซึ่งงดงามดุจราชรดทรงของพระราชาให้ลืมตามาดูอย่าหนีมัน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 เห็นไหมเห็นชัดได้นิดเดียวนะแล้วอยากจะชัดใหม่ต้องดูใหม่ไปดูหมาก็จะเห็นแบบเดียวกันนี้แหละนะเพราะว่าจักขูวิญญาณจิตเกิดครั้งลักษณะเดียวจิตเกิดแล้วดับนะเสียงจิตที่ได้ยินเสียงก็เกิดดับทีลักษณะจิตที่ทํางานทางใจนี่เกิดเยอะหน่อยยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเห็นไหมพอรู้ว่าจิตคิดก่จะตื่นขึ้นมานะไม่ได้เพ่ง นั้นให้มันหลงคิดไปแล้วรู้ว่ามันคิดให้มันคิดไปแล้วรู้ว่าคิดคิดไปแล้วรู้ว่าคิดเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอนอั่นแหละเนี่ยเปดเผลออีกแล้วทราบไหมเห็นไหมว่าเบาจิต ท, ที่เป็นกุศลต้องเบานะที่หลวงพ่อเบ่าแล้วมันสว่างไส ว, สวรู้สึกไหมมันเบามันสงบมันสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเบิ ก, บ า, บ, กบานด้วยดูออกไหมความเบิกบานด้วย สิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนั้นวงกลมว่าไงวงคลมก็คล้ายๆกับนาเขาครับก็คือค่อนข้างจะเกร็งๆแล้วก็ตึงๆอ <ừ> ืมแตบมันจะรู้สึกว่ามัน ห, หนักๆมันตึงเรื่องเรื่อเอเเือืออะไรนะอันหลังนี่อะไรนะก็คือถ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันหนักๆนะครับก็เริ่มเองเลิกไปก่อนเออแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ดีครับ อยากถามหลวงพ่อนิดนึงนะครับว่าอย่างที่หลวงพ่อทักบางบา ง, บางคนนะครับว่ามองหน้าหลวงพ่อแล้วจะเห็นแวบเดียวแล้วก็จะเืเลือนแล้วก็ต้องมองใหม่อืมถ้าบางคนไม่เห็นแบบนี้เห็นแบบเหมือนครับไม่เป็นไรเห็นง่ายก็ได้นะคนนี้เขาพอมองเก่งนี่เลยพาให้เขาดูเล่นความจริงไม่ใช่ปาฏิหารนะรจริงๆแล้วว่าไม่ว่าเราจะมองอะไรเราเห็นได้แวบเดียวเพราะว่าจักผูวิญญาณจิต จิตที่ไปใช้ดูอ่ะมันเกิดทีละขนาะเท่นั้นแหละเวลาเรามองหน้าคนข้างๆเราลองสังเกตสิเรามองแบบต่อจิกซอนะมองได้จุดเล็กๆนะแล้วก็เลื่อนๆเลยต้องไปดูอีกเนี่ยแล้วดูหลายๆทีแล้วก็อาศัยความจํามารวมเข้ามาัแล้วก็เป็นหน้าคนนี้ขึ้นมาต้องดูตั้งเยอะหน่อยไปอย่าได้หน้าคนหน้านึงเนี่ยมองคนข้างๆลองดูสิเรามองทีละจุดใช่ไหมมองตาซ้ายมองตาขวาเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ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 เห็นเท่าที่เห็นได้องค์รลหยาบหรือละเอียดไม่สําคัญหยาบก็แสดงใจรักละเอียดก็แสดงใจรักเท่าเท่ากันไม่ต้องไปแกล้งทํานั่นนี้ไม่เอาน่าส่งให้คุณเฉลิมพงศ์หน่อยไม่เจอกันนานแล้วก็ดีขึ้นนะแน่ใจโมหะร้อยลงโอ้ดีนะมุงกบก็ดีนะกบพ่อน่าดีช่วงนี้สุนันก็ดีเหมือนกันแต่เราส่งใหม่ให้ไม่ได้จะกลายเป็นก้อนหินทันทีเลย อาบอร์ยี่สิบมาจากไหนคนเนี้ยไปบวชมาจากไหนเออภาวนาดีนะที่ทํำยอยู่อดีล้วแล้วเอตราใบาโพนี่อะไรตราวัดเหรอที่มีเสื้อตราใบาโเนี้อ๋อเมื่อก่อนมีห้างขายาตราใบาโพเหมือนเงินเปี๊บเลยนะดีแล้วนะที่ทํำอยู่อะดีล้ว กับนวัตการอาจารย์ครับอยากจะถามข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติเด็กๆครับคือดังทั้งที่เราทราบระหว่างตัวกุศลและอกุศลนะครับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีแต่บางครั้งสติมันตามไม่ทันบางทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีไม่ดีก็ยังทําแต่ก็ยังทําอก็ขั้แรกสุดเลยนะเรายังสู้กิเลสไม่ไหวเพราะงั้นต่ําสุดเลยถือสี่ห้าไว้ก่อน นักปฏิบัติต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะเพราะงั้นไม่ว่ากิเลสจะรุนแรงแค่ไหนนะเราว่ามันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่อย่าให้ผิดศีลห้าหลังจากนั้นเป็นเรื่องกิเลสทางใจเราละเป็นงานทางใจแล้วมันไม่ล้นออกมาทางกายทางวาจาแล้วอคูส้นเกิดในใจเราคอยรู้เอาแต่อย่าให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาแล้วกันแต่ถ้าอย่างเช่นอยากดูหนังอะไรเงี้ยเหมมันทนไม่ไหวจะไปดูหนังมันก็ไม่ผิดศีลอะไรใช่ไหม เป็นคารวาสเด็กก็ไปดูได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ดูไม่ได้เสียสัตว์จักดีฝึกมาได้ดีนหะลวงปู่พุท ธ, ธาอยศลาที่เป็นตาที่แปกเป็นโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวหลวงพ่อไปเจอแต่โพธิสัตว์ไม่ค่อยรู้สึกตัวตาวัดท่านมาที่หลวงพ่อเยอะมก่อนอยู่เมืองการใกล้ๆมาบอกบอกหลวงปู่บ่นใหญ่แล้ว่าพวกนี้จะหนีเป็นนิพพานหมดแล้ว ไม่มีใครตามท่านไปถ้าก็อแอบหัวล้อกับคิดคักคิดเรื่องอะไรจะตามตั้งไกลดีที่ทําอยู่ใช้ได้ก็อีกสักคนสองคนส่งต่อเลยหลวงพ่อครับคือเคยฟังหลวงพ่อตอบคําถามของคนที่มาปฏิบัติที่นี่แล้วบอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกเป็นก้อนหนักๆที่อกแล้วหลวงพ่อตอบว่าเป็นวิบาก ออวิบากเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป่นสิ่งที่แก้ไม่ได้เป็นผลจากการกระทํากรรมเนะช่นเราเกิดกิเลสเราอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็เพ่งปึ๊บก็ให้เลยมันมีวิบากมันแข็งแข็งแน่นๆขึ้นมางั้นตรงที่แน่นๆเลยแก้ไม่ได้นะาแก้ไม่ได้เพราะเป็นวิบากต้องรับผลของกรรมนี้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 ช่วยไม่ได้อันนั้นต้องรับผลของกรรมแล้ว อ, อาการที่เหมือนมีอะไรไหวอยู่กลางอกเออดีแล้วล่ะนะคือสังขารความปรุงแต่งเขาทางานในขั้นละเอียดจะเป็นความไหวอยู่ที่กลาง อ, อกนี้แหละแล้วต่อไปสัญญาความจําของเราเนี่ยจะเข้าไปกระทบมันแล้วก็จะแปลเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาหรือแปลเป็นทิเล็ต่างๆขึ้นมาแปลเป็นกุศลขึ้นมาสภาวะละเอียดถึงที่สุดนะเป็นความไหวๆนิดเดียว รละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแค่เป็นแสงสว่างขึ้นมาภายในเท่านั้นเองแล้วเราไม่ต้องรู้ว่ามันไหวอะไรไม่ต้องไม่ต้องแค่เห็นความไหวแต่ต้องดูอยู่ห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูความไหวนะถ้าดูแบบตกลงไปในบ่ออย่กิใช้ไม่ได้พยายามไปดูแล้วลค่ะดูอยู่ห่างๆอย่ากระโจนเข้าไปไอ้ก้อนที่มันเป็นก้อนอยู่ที่มันใหญ่ไปลเลยใช่สียิ่งใหญ่กว่าเก่าแล้วเพราะว่าจงใจมากกว่าเก่าอีกนะ ส่งไปโจ่เอาไหมคุณเสื้อแดงบัตสายหลวงพ่อเทียนอยู่ค่ะแต่ว่ามไม่ค่อยเข้าใจพอดีฟังไปสาราลงทินแล้วได้ได้สีดีฟังของหลวงพ่อนะคะ่ะก็พยายามปฏิบัติก็เลยรู้สึกมันเกลงชอบคิดอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติถูกหรือผิดเออพอญญาติดบัญญัติคืออย่างนี้ถ้ามันสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะที่ทาอยู่นี้ถูกหรือผิดนรู้ลงปัจจุบัน รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ถูกพอดีเป๊ะเลยนะเมื่อไรรู้ลงปัจจุบันเมื่อ น, นั้นถูกพอดีเป๊ะเลยหนะลวงพ่อเทียนเนี่ยแกนทำต่อของท่านท่านขยับเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวรุ่นหลังๆเริ่มพลาดแล้วไปขยับแล้วไปเพ่งออกนะเพ่งเอาแล้วมันจะต่างอะไรกับการทําสมถะของสำนักอื่นๆมันก็คือสมถะนั่นแหละนะเพราะว่านะเพราะว่าอ่านหนังสือของท่านแล้ภาษาของท่านไม่ค่อยเข้าใจอภาษาท่านก็เป็นแบบที่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 จิตมันจะคิดห้ามมันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยพยายามแก้ก็เลยวิจเจ้อย่าแก้คำว่าแก้นะกว้างทิ้งไปคำว่าแก้นี่เป็นเรื่องของสมถะวิปัสนาไม่มีคำว่าแก้วิปัสนามีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงเพราะงั้นอย่างเช่นเราเผ ล, อ, เลอไปคิดปุ๊บขึ้นมาอุ้ยเผลอไปแล้วเผลอไม่ดีเลยเนี่ยมันบรรยายขึ้นมาช่างมันไปเลย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 ก็ยังคล้ายๆกับคราวที่แล้วอะค่ะจูจี้ไปประคองไว้นิดหนึ่งดูออกไหมก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเบาไปนิดนึ่งคราที่ผ่านมาประคองมากไปประคองมากไปมันทื่อๆไปนิดหนึ่งรู้สึกไหมไม่เปรียวมันเบาๆแต่ไม่สดชื่นพลังมันมันน้อยๆอยเออนะกำลังมันดีแล้วดีที่รู้ไม่ต้องแก้นะ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 คาวรู้สึกว่าจะโมวานิดหน่อยอะวันนี้น่าจะดีนดีแล้วดีแล้วรู้ถูกต้องละอ้วนอะอ้นเป็นไงเทียบกับคราวก่อนเป็นไงอ้นมันแน่นขึ้นนิดนึงอะอะนะมันสู้ครั้งก่อนไม่ได้มันหลบของสาวันนี้มันมันหนีอืมันหนีมนดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่เห็นนะแล้วก็มันก็ยังอยากให้หายไหม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 สภาวะรู้เออถ้าถ้าแว บ, บนั้นเกิดบ่อยๆเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งล้วนจะเป็นสภาวะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นมันก็จะเรารู้เหมือนเดิมอ่าเรารู้แล้เรายังละไม่ได้จริงก็ดูบ่อยๆหมอทรงยศเป็นไงเป็นไงบ้างคือวันี้รู้สึกว่าจะเพ่งเยอะแต่ว่า ก็คืออาจจะเป็นจากความรู้สึกที่ยังอยากจะทำอยู่เออใช่ใช่ใชถาเราคอยรู้ทันตัวเองจริงๆแล้ว ก, การเรียนวิปัสสนาคือการเรียนเพื่อจะรู้ทันเพื่อจะเข้าใจตัวเราเองนั่นเองถ้าเราเข้าใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยแต่จะค่อยวางลงป่อยวางมีความสุขการอาการเป็นไงเวลาอยากกินขนมรู้เปล่า ได้พูดใส่ไมโครโฟนหน่อยเวลาโกรดนี่ก็จะรู้ว่าโกรธอย่างเช่นคิดไม่ดีก็จะรู้ว่าคิดไม่ดีแล้วมันก็พอคิดไปคิดมากมันก็จะเผลอไปเลยก็เลยโอ้เก่งนะโกรธก็รู้ใช่ไหมไปคิดก็รู้เผลอก็รู้นี่รู้จักสภาวะหลายตัวล้วการอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดค่ะเออคนไหนบอกดูจิตยากถามเด็กสิบเอ็ดขวบได้นะเนไโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนี่นะเผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะ แอบไปคิดรู้ว่าไปคิดง่ายจะตายไปคิดมากก็ยากสิเด็กๆมันดูซื่อๆนะเลยคนโบราณแต่งกลอนไว้อันหนึ่งบอกอยากทำได้ถามหญิงต่ำหูกอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายเราไม่มีเด็กเลี้ยงควายเราถามเด็กสิเดขวบเห็นไหมดับได้นะออพวกผู้ใหญ่ <laughs> โอ้โหน่าสงสาร <laughs> นารี็นไงนารี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 แต่ลงทุนตัวนี้นะักกำไรสุดๆเลยลงทุนตัวอื่นกประเภศหาเช้ากินค่ำอะ่ะได้ความสุขมาป็เดี๋ยวหนึง่งมันก็หนีไปอีกละหอหมกเป็นไงหอหมกหอหมกก็ยังฟังค่ะเออฟังมากๆนะ